สัมพุทธสาอภิทธรทะกัลยาณีปาปาจิตตังนิวารเยทันทังหิกระโตปุญญงปาปัตสมิงระมติมะโนติ ณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการชนะจิตตนเป็นสิ่งซึ่งทำได้ยากเพื่อฉลองศรัทธาท่านสาธุชนพูดตั้งใจบำเพ็ญกุศลเพื่อให้เป็นสเสบียงหล่อเลี้ยงชีวิตของตนซึ่งมุ่งหน้ามาที่วัดปยุรวงศาวาด ในวันธรรมัสสวนณนี้วันธรรมัสสวนณนี้ถือว่าเป็นวันพระแรกในช่วงเขตเทศกาลพรรษาปีพุทธศักราช2558ถ้าจะนับเป็นเก้าก็ถือว่าเป็นเก้าแรกเก้าแรกคือเก้าเริ่มต้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การใดๆก็ตามถ้าจะให้สาเร็จได้ดีอยู่ที่ก้าวแรกของเหล่านี้ถ้าเราก้าวไปไม่ผิดพลาดความสาเร็จก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าหาว่าก้าวแรกนี้เป็นก้าวที่ไม่เต็มที่มีความหย่อนยานหรือก้าวผิดพลาดก้าวไปไม่ตรงกับทิศทางที่เราตั้งใจไว้ ก็เป็นอันว่าทุกอย่างก็จะล้มเหลวฉะนั้นการเริ่มต้นจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญท่านทั้งหลายตั้งใจเข้าพรรษาว่าจะบำเพ็ญคุณงามความดีทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแน่นอนที่สุดแล้วว่าถ้าเราจะทำความดีนั้นๆได้อยู่ที่ก้าวแรกคือวันนี้ ท่านจะต้องมีความตั้งใจให้ดีทีเดียวว่าชีวิตของเราเหลืออยู่ในช่วงเข้าบรรษานี้เราจะทำดีแบบไหนจึงจะทำได้คล่องตัวทำแล้วนี่ประสบความสุขประสบความสำเร็จทั้งแก่ตนเองและแก่คนอื่นฉะนั้นอัตมาภาพในนามของพระพิสุสมณเณร วัดประยูรวงศาวาดซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดก็ขอต้อนรับญาติโยมทุกท่านซึ่งมาฟังธรรมร่วมกันในวันนี้มีหลายภาคส่วนในส่วนราชการนั้นมีท่านโสพลผู้อำนวยการสำนักเทศกิจท่านชุมพลรองและท่านสุพระพงศ์ผู้ตรวจ พร้อมโดยคณะของท่านนี่มาฟังเทศที่วัดปยุโรงสาวาทเรียกกันว่าเกิบเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อให้กำลังใจเนี่ยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่านก็เดินทางมาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาด้วยตัวของท่านเองนอกจากนี้คุณโยมแม่ชีทองสุขและตลอดถึงอุบาสศกา ซึ่งได้ให้การสนับสนุนกิจการของวัดปยุรวงท่านกบินตรงจากฮ่องกงมาที่วัดปยุรวงในเมือนกันมาฟังธรรมคือตั้งใจไว้ว่าทุกวันพระจะฟังเทศไม่ขาดเมื่อมีโอกาสก็มาฟังธรรมกันนอกจากนี้ก็มีญาติธรรมของเราถือว่าเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสิทธิ์ของวัดปยุรวงโดยตรง ก็พร้อมใจกันมาสัดับกลับฟังพระธรรมเทศนาในวันพระนี้ด้วยการฟังธรรมนั้นสำคัญอยู่ตรงไหนญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการฟังธรรมนั้นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องฟังด้วยความตั้งใจถ้าเราฟังด้วยความตั้งใจแล้วได้บุญเป็นเบื้องต้นคือจิตของเราไม่สับสน ท่านจึงกล่าวไว้ว่าบุญฟังเข้าทางหูก็แสดงว่าเสียงธรรมะนี่เข้าไปสู่หูของญาติโยมญาติโยมก็จับสาระต่างๆได้เป็นอย่างดีนี่ก็เรียกฟังเทศได้บุญบุญดูเข้าทางตาเนี่ยญาติโยมจะดูอะไรเนี่ยขอให้ญาติโยมดูได้บุญนะฮะไม่ใช่ดูแล้วได้บาป เห็นพระนั่งไม่เหมือนกันว่าทำไมองค์นุ้นนั่งตัวตรงทำไมองค์นุ่นนั่งตัวเอียงอย่างเงี้ยไอ้ตอนนั้นก็เริ่มจะไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูพระนั่งฟังธรรมเนอดูที่ท่านยังนั่งตัวตรงอยู่ได้นี่ถ้าเอาท่านลุกขึ้นหนีได้ท่านคงจะไปแล้วแต่เพราะอะไรต้องการจะให้กำลังใจ ญ, ญาติโยมโยมมาวัดเห็นพระลูกพระหลาน ลงทาวัดไหวพระสวดมนต์สนใจฟังธรรมจิตใจของญาติโยมก็เกิดปีติเกิดความเอิบอิ่มเกิดความเบิกบานเนี่ยได้บุญแล้วบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนานี่เข้าสู่ใจเลยทีเดียวก็คือจ ะ, จ, ะจะต้องชนะจิตใจตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความดีต้องมีพลังสนับสนุน ถ้ามิเช่นนั้นแล้วทำความดีไม่สำเร็จเหมือนกับเรื่องสามีภรรยาคู่หนึ่งที่จะเล่าให้ญาติโยมฟังต่อไปนี้ท่านเล่าว่าลุงป้าคู่นี้ภาษาอินเดียเขาเรียกกันว่าเป็นพราหมณ์ถ้าหากว่าเป็นโยมผู้หญิงก็เรียกกันว่าเป็นนางพรามมณีถ้าเป็นโยมผู้ชายก็เรียกกันว่าพราม์เฉย สนใจฟังธรรมมากเวลาพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทีไหลแกก็จะนัดกันไปฟังธรรมเหมือนกับครั้งนี้องค์สมเด็จพระเนินะสีคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหลังจากที่จาริกไปโปรดสัตว์ตามที่ต่างๆแล้วพระองค์ก็กลับมาประทับที่วัดพระเชตวัน วัดพระเชตวันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองสาวัตถีลุงป้าท่านนี้ก็ถือว่าเป็นชาวเมืองสาวัตถีพอพระพุทธเจ้ามาประทับนี่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเรื่อยปัญหาเกิดจากอะไรญาติโยมทราบไหมเกิดจากความจนของเขาจนยังไง ก็คือสามีภรรยาคู่นี้มีผ้าห่มเพียงผืนเดียวชาวอินเดียก็ไม่ใส่เสื้อแต่เขาใช้ผ้าหม่มผ้านุ่งนั้นมีคนละชุดแต่ว่าผ้าห่มมีเพียงผืนเดียวแต่ก็อยากจะไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าขั้นไปนั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าจะไปนั่งเปยกายท่อนบนมันก็ดูไม่งาม ก็เลยทำการตกลงกันเอาอย่างนี้กันแล้วกันให้ภรรยานั้นไปฟังเทศเวลากลางวันแต่ว่าตัวเองเนี่ยไปฟังเทศเวลากลางคืนเรียกกันว่าฝ่ายสามีไปฟังเทศเวลากลางคืนให้ภรรยาเฝ้าบ้านคืนวันหนึ่งพรามผู้นี้ไปฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม ในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมว่าอันว่าชีวิตของคนที่เกิดมามีระเบิดเวลาติดตามมาด้วยระเบิดเวลานั้นแต่ละคนเนี่ยเป็นผู้ตั้งกันไว้เองบางคนเกิดมาเนี่ยยังไม่ทันลืมตาดูโลกตายเสียก่อนแล้วเพราะระเบิดเวลาที่ตัวเองตั้งไว้มันสั้นเกินไป บางคนเกิดมาได้ยี่สิบปีตายจากโลกนี้ไปก็มีอย่างเช่นศพเมื่อวานนี้อาตมาไปเผาแข็งแรงดีอยู่แท้ๆอายุแค่ประมาณหกสิบเอ็ดปีออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันแล้วก็วร้องเพลงกับไพเราะที่บ้านของเขานั้นทำห้องคาราโอกเกะวันอาทิตย์ กระชวนญาติมิตรไปร้องเพลงกันทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำไปตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรแต่จูจ่ๆปวดศีรษะอย่างกระทันหันไปเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าอาการอย่างนี้ลึกซึ้งนักต้องเข้าทีซีสแกน ใช้เครื่องสแกนเนะี่ยทั้งตัวเลยโยมไปพบว่าปอดหมดไปข้างหนึ่งแล้วแล้วกำลังจะขึ้นสมองแกแข็งแรงมากมาหาตมาธิไลนี่ล่าเริงแจ่มใสไม่มีแววว่าแกจะด่วนจากไปมีลูกชายคนหนึ่งก็มาบวชที่วัดปรยูรวง แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องก็เสียใจกันมากอาตมาเขาบอกว่านี่แหละคือความจริงคนเราเกิดมาเนี่ยตั้งระเบิดเวลาของตัวมาเองเนี่ยเหมือนกับญาติโยมเนี่ยที่มานั่งฟังธรรมนี่ก็ต้องคิดนะว่าถ้าชาติหน้าเกิดใหม่เนี่ยตั้งใจจะอยู่เท่าไหร่แต่อย่าให้มันนานเท่ากับไดโนเสาร์นะโยมนะมันจะไม่ได้เห็นกัน เอาแค่ประมาณแปดสิบก็พอเท่าพระพุทธเจ้ายด้เกินไปอย่างยมย้อยกาสัก1้อยี่สิบก็ได้จะได้อลาธนาสินอลาธนาธรรมเรื่อยๆคือตั้งระเบิดเวลามาเพียงเท่านั้นหกสิบเอ็ดปีก็ต้องด่วนจากไปขอให้ญาติพี่น้องทั้งหลายได้คบคิดพิจารณาความจริงข้อนี้พรามผู้นี้ฟังพระพุทธเจ้าเทศ เกิดความเลื่อมใสอยากจะทําคุณงามความดีเพื่อเป็นอุศน์และคือการทําบุญนั่นแหละอยากจะทําบุญหนุนชีวิตจิตใจเกิดมาทั้งทีเนี่ยยังไม่มีโอกาสบําเพ็ญฐานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เป็นล่ําเป็นสันมาคืนนี้ฟังพระพุทธเจ้าเทศจับใจเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้านี่ญาติโยมก็ชมกันมั่งนะ พระพุทธเจ้ามหาศ า, ศาสตราโลกมีวันเสาร์วอาทิตย์ตอนเช้ากับตอนเย็นอย่าไปกดช่องอื่นนะ ช, ช่องอะไรก็เรียกว่า work point เนี่ยนะฮะโยงกระชมกันไว้หน่อยชมแล้วมันซาบซึ้งใจดีญาติจงบางตอนนัตมาดูไปก็นั่งน้ำตาไหลซาบซึ้งใจต่อบทบาทของพระพุทธเจ้า เนี่ยเราก็ชมชมไว้บ้างพระพุทธเจ้าทรงแสดงวัฒมเกเทศนาพรามเกิดศรัทธาเลื่อมใสเอ้เราจะทำยังไงเราเกิดมาจนเหลือเกินมีผ้าเพียงผืนเดียวเท่านั้นถ้าพูดทำานงนี้ญาติโยมอาจจะไม่เชื่อว่าประเทศไทยไม่เคยมืออย่างนี้บางที่ก็พอจะมีเหมือนกันญาติโยมจนจริงๆนะ คนเราเกิดมานอกจากจะตั้งระเบิดเวลาให้กับตัวเองแล้ยังไม่พอยังเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตัวเองให้จนมาด้วยได้พ่อแม่จนได้สังคมจนเพราะอะไรในอดีตชาตินั้นทำบุญไม่เป็นไม่เคยทำบุญสุนทานอะไรเลยได้แต่ยกมือโมทนาสาธุกระเขาเรื่อยไปสาธุสาธุ เกิดมาในชาตินี้ก็เลยต้องสาทุกกับเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าของติดเนื้อติดตัวไม่มีนี่ญาติโยมก็คิดดูเหมือนกับพราหมณ์ผู้นี้แกมีผ้าห่มเพียงผืนเดียวฟังพระพุทธเจ้าเทศเกิดความเลื่อมใสอยากจะบำเพ็ญทานสักหน่อยเถะเพระวัติตอนนี้อายุก็มากแล้วนึกถึงว่าเราจะเอาอะไรถวายพระพุทธเจ้าดี ก็เห็นจะมีผ้าหม่มผืนนี้ผืนเดียวเอามือจับผ้าห่มทีไรเนี่ใจก็คิดถึงแม่บ้านถ้าเกิดว่าเราเนี่เอาผ้าผืนนี้ถวายพระพุทธเจ้าแล้วแล้วกลางวันน่ะภรรยาของเรามาฟังเทศจะเอาผ้าที่ไหนหม่มคิดไม่ตกโยมเ้ยนี่แหละที่บอกว่าการทำดีนะั้นมันอยู่ที่ใจ ถ้าไม่มีกำลังจิตกำลังใจจริงๆแล้วทำความดีไม่ได้เพียงแต่จะก้าวออกจากบ้านน่ะมาฟังเทศที่วัดไปโรวงี้โยมพิจารณาดูอารมณ์ของท่านบางครั้งนี่ก้าวขาไม่ออกเพราะเป็นห่วงบ้านใช่ไหมถ้าไม่ห่วงบ้านก็ห่วงฟ้าห่วงฝน ถ้าไม่ห่วงฟ้าห่วงฝนก็กังวลใจว่าจะมีคนนุ้นไปคนนี้มาสารพัดทุกอย่างแล้วในที่สุดบางครั้งโยมก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือ ม, มานเนี่ยที่มันมากวนจิตกวนใจทำให้มาวัดไม่ได้แต่ที่ญาติโยมมากันได้นี่ถือว่าชนะใจไปได้ระดับหนึ่งคือชนะใจแค่ออกจากบ้านได้นะ แต่มาถึงวัดที่อาจจะแพ้แพ้แพ้แพ้อีกก็อย่างได้นะเช่นแพ้ว่าทําไมวันนี้พระเทศไม่ถูกหูงี่เป็นต้นเอาละเกิดโทสะบันดาลใจขึ้นมาแพ้ก็มาอีกแล้วมาแพ้ที่วัดชนะที่บ้านจะมาแพ้ที่วัดฟังเทศไปหลับไปเรื่อยๆนี่แพ้อีกเหมือนกันนะไม่สามารถเจ้าชนะได้พลามณพูดนี้แกแพ้ใจตัวเองอยู่ล่ําไปหลายครั้งหลายหน ตั้งใจว่าจะเปลื้องผ้าที่ห่มนะถาวายพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเย็นนะเรียกกันว่าประถมมยามไม่สามารถจะเอาชนะจิตใจตัวเองได้เลยห่วงตัวเองห่วงภรรยาของตนห่วงฟ้าห่วงฝนถ้ามันหนาวนี่เราจะผ้าที่ไหมห่มสารพัด ท, ทุกอย่างกังวลไปหมดเรียกกันว่าตัดไม่ขาด รวมความว่าที่แกมไม่สามารถเนี่ยจะบำเพ็ญทานได้ก็เพราะว่าเกถูกมัจฉระยะคือความตเหนี่ยทีเหนียวหรือความห่วงกังวลเนี่ยมันผูกรัดมัดใจเอาไว้แน่นเป๊ะเลยทีเดียวในที่สุดก็เลยทําไม่ได้มาจนถึงยามที่สองคือมัชชิมยามตั้งแต่เวลาประมาณตีสองสู้ลบอีกอยากจะพัวายพระพุทธเจ้าทําไม่สําเร็จ แพ้กันช น, นะกันไปเอาเดี๋ยวอยากจะให้เดี๋ยวก็โอ้ไม่ได้เป็นห่วงเหมือนกาตมาเห็นโยมเวลามีงานบุญชวนให้มาทอดขัถินทอดประป่าเนี่ยโยมไปทำบุญด้วยกันไหมท่านไปที่ไหนจะไปนูน่นโยมร่วมบุญกาตมาหน่อยไวลาชาติหน้าจะได้เกิดด้วยกันไปเจอกันเป็นญาติเป็นมิตรกัน เอาเอเอาก็ดีเหมือนกันนะไอ้พูดว่าเอาก็ดีเหมือนกันนะก็ไม่เท่าไหร่แม่ตอนที่เห็นกําลังจะลูดซิปกระเป๋านี่โอ้ลูดช้าเหลือเกินนะกว่าจะลวงขึ้นมาได้เนะี่ยอืมันเหมือนมีกาวติดที่ซิปเดียว <c oughs> เนี่ยแต่อย่างว่ามันจะแพ้ <c oughs> <c oughs> คือมันแพ้กิเลสตอนนั้นแพ้กิเลสให้โยมรู้อาการเตียงว่าแพ้กิเลสในตอนนั้นไม่สามารถจะชนะจิตใจตัวเองเรได้ พอเราคิดจะทำความดีแล้วเราก็ปล่อยโอกาสจิตใจก็เราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นเพราใจของคนมันเปลี่ยนแปลงง่ายบางครั้งเป็นมารบางการเป็นเทวดาบางเวลาเป็นยักษ์บางพักเป็นพมบางอารมณ์เป็นพระบางขณะเป็นคน บางขลเป็นผีบางทีก็น่าเกลียดเหมือนกระสบจิตใจของเรามันเป็นอย่างนั้นในขณะที่จิตมันให้โอกาสเราสามารถจะทำความดีได้ต้องทำทันทีพรามผู้นี้ปล้ำกับตัวเองกว่าจะเอาชนะได้เกือบจะสว่างพอทำได้เท่านั้นเนี่ลุกขึ้นประกาศลั่นห้องเลยเดียว ชิตังเมชี้ตังเมชิตังเ ม, ง เ, มเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วพรเอว่าคนที่ไปฟังพระพุทธเจ้าเทศน์เนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปนั่งปะปนฟังอยู่ด้วยท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าประสิทธิโกศนท่านได้ยินคำว่าชนะแล้วชนะแล้วก็เกิดสนประไว่วเอมชนะอะไรเนี่ยไม่เห็นมีการ ลบทับจับศึกอะไรกันซันิดที่อีตานี้มันพูดชนะอะไรก็เลอให้สันติบาลไปถามดูเขาไปถามก็าเรียกว่าชนะอะไรพรามณ์ก็บอกว่าฉันช น, นะใจฉันเองแพ้มาต้องหลายเวลาแล้วตั้งแต่ตอนหัวขั้มสู้กันมาตั้งแต่ตอนนั้นกว่าจเจ้าชนะได้ แมยพอชนะได้เนี่ยมันโปร่งล่งเบาสบายหัวใจเหลือเกินก็เลยประกาศให้ต่อใครแต่ใครได้รู้ว่าชิ้ตังเมชีตังเมย์เราชนะแล้วชนะแล้วฉะนั้นญาติโยมเวลาคุณโยมชนะใจตัวเองคุณโยมก็ลุกขึ้นประกาศให้ฟังนะอาตมา จ, จะได้รู้ว่าชนะแล้วท <c oughs> ี่เป็นงั้นพอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ฟังประกาศ ชอบใจเหลือเกินคนมาบอโอ้อิตานิชนะความตนีที่เหนียวของตัวเองพระองค์ก็พระราชทานผ้าให้เพราะว่าพราหมณ์ผู้นี้ถวายผ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็พระราชทานผ้าให้พระราชทานเหมือนกับเสื้อกะกางเกงชุดหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งคนจนทั่วไปไม่มีสิทธิ์สวมใส่แต่เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็พระราชทานให้ เสร็จแล้วเนี่ยพระพรามพู้นั้นน่าจะเก็บไว้ใช้เองเอาผ้าห่มผืนนั้นถาวายพระพุทธเจ้าอีกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ชอบพระไทยนะโอ้คนนี้คนจนนะจนแต่ทรัพย์สินสมบัติแต่จิตใจไม่จนเลยพระจะทานให้อีกให้แล้วให้เราอยู่ตรงนั้นนะจนกระทั่งเรื่องนี้ผ่านไปตกมาถึงตอนเย็นพระกล่าวเรื่องทั้งหมด ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะมานั่งประชุมกันในธรรมสภาพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาก็ตรัสถามว่าดูก ร, รับยิสูทั้งหลายพวกเธอสนทนาเรื่องอะไรกันพระกะทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านี่กำลังสนทนาเกี่ยวกับเรื่องพรามเมื่อวานนี้ที่เขาเอาชนะจิตใจตนเองได้แม้ช่าง น, น่ายกย่องเหลือเกิน พระพุทธเจ้าก็เลยถือโอกาสตัดว่าดูกระพิสุทั้งหลายคนเรานี้มักมีความประมาทมีโอกาสที่จะทำดีแต่ก็ไม่ทำแล้วพระองค์ก็ทรงยกพระพุทธภาษิตดังที่อตมาภาพได้นำมาตั้งในตอนต้นว่าอภิธรถะกริยาเนปาปาจิตตังนิวาระเยเป็นต้นซึ่งแปลว่า ทางที่ถูกนั้นควร <c oughs> รีบเร่งกระทำความดี <c oughs> และควรจะได้ห้ามจิตจากความชั่วเพราะเมื่อกระทำความดีช้าจิตใจจะไปยินดีกับความชั่วเขาไว้ <c oughs> ขอให้คุณโยมนึกถึว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนถูกไหม <c oughs> ถูกต้องดีสุดเลยทีเดียว <c oughs> เพราะว่าจิตของคนนั้นมันเปลีป่ยนแปลงง่าย นอกจากจิตเปลี่ยนแปลงง่ายและชีวิตของคนเนี่ยก็อยู่บนความไม่แน่นอนอย่างเช่นอาตมาเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งให้ฟังเมื่อตะกีน้นี้นั่นแสดงว่ามันอยู่บนความไม่แน่นอนทำอย่างไรกับชีวิตของเราจึงจะถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่าประมาทหาโอกาสทำความดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ดังคำประพันธ์ท่านหนึ่งขึ้นกล่าวไว้ว่าอันชีวิตมีค่าอย่าอยู่เปล่าทุกข่ำเช้าเฝ้าฝึกจิตเป็นนิยสยศินศึกษาธรรมประสัมมาเป็นอาจินชำระล้างบนทินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักไม่ทันจักทาดีได้เท่าไร ก็ต้องมาม้วยมอนก่อนถึงวัยมัดจุภัยไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองใาย่ไปปล่อยตัวโมวเมาไม่น่ามองไม่ถูกต้องตามธรรมพระสัมมาก็คือว่าเราจะไปปล่อยตัวมัวเมา เราจะต้องหาโอกาสทำดีทุกๆอย่างคําว่าทำดีนั้นรวมอยู่ในคําว่าบุญนั่นเลยโยมพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้หมดว่าการทำบุญนั้นมีอะไรอะไรบ้างและการทำดีของคนเหล่านี้ก็ไม่หนีไปจากวิธีที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเลยไม่ว่าจะเป็นความดีแบบไหนโยมเช่นวันที่สิบหกนี้ สังคมเขาเราก็จะทำความดีเทิดทูนเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถก็จะมีพิธีไบฟอมหม่ำญาติโยมเตรียมจั ก, กรยานกันแล้วยังน ะ, ะถ้าหากว่าไม่มีก็บอกไม่ชีได้นะเดี๋ยวจะได้แจกกันคนละคันนะไบฟอมหม่ำนี่ก็เป็นความดีอันว่าความดีนั้นตรงกับคำว่าบุญอะไรยม ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าบุญบุญบุญเนี่ยซึ่งท่านกำหนดว่าวิธีการทำบุญมีสิบวิธีใหญ่ๆโยมพอจะจํากันได้ ว, ว่ามีอะไรบ้างอันแรกก็คือทานนัยบุญที่ได้จากการบำเพ็ญทานหรือการบริจาคทานคำว่าทานตัวนี้เป็นตัวต้นในสังคมของเราเวลาจะทำบุญเรามักจะพูดคบุคบค้วกันไปว่าทำบุญทาทาน ทานตัวนี้แล้วทานนี้ยังจำแนกแยกแยะไปอีกต้องหลายทานนะโยมนะเช่นหนึ่งอมิสทานให้ข้าวของเครื่องใช้สองวิทยาทานให้ความรู้ทางโลกเช่นเขาเอาวิธีการต่างๆมาสั่งมาสอนกันปลูกต้นไม้ยังไงปลูกข้าวกล้ายังไงนี่เขาเรียก ว, วิทยาทาน ประการต่อมาธรรมทานนี่ก็คือว่าให้ธรรมะให้ความรู้เป็นฐานและอันสุดท้ายคืออะไรอภัยทานคือให้อภัยไม่ผูกโกรธต่อกันอย่างนี้ก็เป็นฐานเหมือนกันอา้าวความดีประเภทที่สองเรียกว่าศีละไมบุญที่ไดจากการรักษาศินญาติโยมตั้งใจรักษาสินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อย อย่าให้กายของเราเนี่ไปทำเรื่องที่ไม่เรียบร้อยเข้าให้อย่าให้วาจาว่าเราไปพูดเรื่องที่เป็นโทษเข้าให้เช่นไปพูดเทศพูดโสเศษพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องพูดทำให้เขาเคืองพูดทำให้เขาโกรธอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเป็นการไม่รักษาศีลเหมือนกันประการต่อมาภาวนาใหม่เนี่ยบุญที่ได้จากการเจริญภาวนา ภาวนาคืออะไรคือการฝึกจิตใจของเราให้มีความสงบในเบื้องต้นจนกระทั่งจิตของเรานี้มีความรู้ทั่วถึงในเรื่องต่างๆเช่นรู้ว่าความทุกข์กับชีวิตของคนนียมันมีความเกี่ยวข้องกันพอคนเกิดมาความทุกข์มันก็ตามมาเหมือนเงาตามตัวอย่างเงี้ยแล้วทำอย่างไรเราจึงจะไม่ทุกข์ล่ะก็ต้องทำบุญเนี่แหละ ถ้าว่าเราไปทำบาปก็ให้ความทุกข์มันก็ตามเราไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะเกิดชาติไหนเกิดเป็นอะไรความทุกข์ตามไปได้หมดโยมอ่านประวัติหลวงพ่อจรัญไหมครั้งหนึ่งนี่ท่านประสบอุปัติเหตโอ้น่าเสียวไส่มากรถกำลังวิ่งออกจากอาเภอพรมบุรีเสร็จแล้วก็จะตัดออกมาเลี้ยวขวาเข้าบางกรุงเทพหมหานคร เจ้ากรรมในเวรของท่านมันมาจากไหนไม่ทราบเป็นรถกระบะเก่าๆอยู่มองเห็นรถท่านตัดหน้าปรากฏว่าคนขับรถกระบะมันมองไม่เห็นมันจะไปเห็นได้ไงโยมก็รถเก่าก็จกมันก็มัวใช่ไหมก็ชนท่านตูมเท่านั้นท่านก็กระเด็นตกจากรถปรากฏว่ากระดูกคอคนท่านเคลื่อนในขณะนั้นท่านนึกถึงไก่ ท่านบอกว่านึกถึงว่าไก่ตัวหนึ่งมันมาทวงบุญกุศลกับท่านท่านเคยหักคอไก่ในชาติปัจจุบันนี้เองในสมัยที่ท่านยังไม่รู้บาหรู้บุญอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดในหมู่บ้านนั้นเขาไม่ได้กินเหล้าธรรมดาเขาเข้าใจกิน่นท่านฟังคนนักเลงสุราในหมู่บ้านพูดกันมานานท่านก็เชื่อคือเขาพูดว่า กินเหล้ากับไก่จะไปสวรรค์กินเหล้ากับเป็ดสาเร็จผนิผานถ้ากินเหล้าเปล่าๆเจอไม่เท้ายมพบาลท่านก็เลยหักคอไก่มากินกับเหล้าก่อนบวชตอนที่ท่านประสบอุบัติเหตุท่านมองเห็นไก่ตัวนี้มันมาเลยครับท่านบอกว่านี่แหละเจ้ากรรมในเวรมันมีอยู่จริงเราทำยังไงก็มักจะได้อย่างนั้น บางครั้งอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ก็ต้องประสบความทุกข์เหมือนกันชีวิตของเราที่ประสบความทุกข์เพราะบาปที่เราทําไว้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าสตีพายิทธะทุกขขัดสัจสเจทุกขธรรมปียังหรือแปลความว่าถ้าเรากลัวความทุกขความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเรา มามาอากาศะปาปะกังกัมมังก็อย่าสร้างบาปกันนะพวกเธอทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่างนี้เราจะเิญภาวนาจนรู้บาบรู้บุญรู้คุณรู้โทษได้ทั่วถึงนี่แหละเป็นภาวนาใหม่อา้าวประการที่สี่อะไรละ่ะวิ ย, ยาวัจจะใหม่อย่างเช่นเรามาทําบุญที่วัดด้วยกันก็ช่วยกันด้วยเช่นอาหารการกินเออเราเห็นว่าญาติโยมี บางท่านอาจจะขาดไปล้วก็จัดถามาให้เช่นน้ำมันอยู่ไกลโยมบางท่านนี่นั่งด้านในนี่นะไม่มีใครยื่นน้ำให้เวลามีใครเนี่ยเข้ามาเสิบน้ำทางอีกด้านประตูนี้ญาติโยมก็มีน้ำใจหยิบจืนเอาน้ำส่งให้นี่ก็เป็นเวยาวะ่จะไม่ลูกหลานบางคนเนี่ยใส่ใจต่อ ความเป็นอยู่ของพ่อแม่มากเห็นพ่อแม่แก่เท่าแล้วสนใจคอยปฏิบัติวัฒถธก็เป็นวิยาวิญญาไใหม่ช่วยเหลือพ่อช่วยเหลือแม่เด็กคนนั้นก็มีความเจริญประการต่อมาประการที่ห้าปจาชยะนมะใหม่ก็ถ่อมตัวกันหน่อยเราจะไปอวดองทนงตัวกันนักประพฤติเป็นคนถ่อมตัวเห็นพระเห็นเนญาติโยมก็ไหว้หน่อยเพอมันจะได้บุญ อาตมาก็ดีใจว่าเออเดี๋ยวนี้เขายังรู้จักพระกันอยู่นะเดินไปในที่บางแห่งนี่อย่าว่าแต่ผู้ชายเลยโยมผู้หญิงนี่คุยโทรศัพท์ไปเดินชนเอ ง, ง่ายๆนะโยมนะไปบรรยายถึงตึกเอ็มพายนี่ถ้าหากว่าฟุตเวิร์กไม่ดีแล้วรับรองเลยจิมจีวอนหลุดหมดมันชนเลยล่ะคนสมัยนี้มันไม่สนใจหรอกไม่รู้อะไรเป็นพระเป็นเจ้าเลยกันแล้วเนี่ยอภจญยาณใหม่ความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ย ขาดจากสังคมไปกลายเป็นคนไม่มีสเสน่ห์คนเราจะมีสะเสน่ห์ได้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งปากหวานสองตัวอ่อนสามมือเป็นหงอนสี่ยิ้มแย้มแจ่มใสญาติโยมวัดประยุรวงศ์เนี่ยดีกว่าวัดอื่นรู้สึกว่าเวลามาวัดยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งๆที่งวดที่แล้วไม่ถูกรถัตติลี่ขมขื่นหัวใจเหลือเกินก็ยิ้มไว้ก่อนเฮ้ยทำไมโยมวันนี้เยิ้มไม่เต็มที่วะแหมพลาดรถัตติลี่ไปซะแล้วว่างั้นเลยเดินผ่านนาคุติอัตมาก็แซวไหวนะยิ้มยิ้มแจ่มใสนี่สําคัญต้องยิ้มนะโยมจะเป็นอะไรก็ยิ้มก็ไว้พุทธะแปลว่ายิ้มด้วยนะไม่ใช่ว่าแปลว่ารู้อย่างเดียวยิ้มยิ้มแจ่มใสน่ความหมายเป็นยังงั้นประการที่สองเจริจาภาษาดอกไม้ และประการต่อมานี่ก็คือว่าตัวอ่อนรู้จะ ก, ก้มรู้จะกราบที่จะคำนับมือเป็นงอนคือพนมมือไงโยมนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วชีวิตของเราจะเป็นสเสน่อาปจายณนะใหม่จะทำให้ได้บุญประเภทนี้ประการต่อมาปฏิทานใหมยคุณโยมมีเรื่องดีๆอะไรเนี่ยคุณโยมเล่าสู่กันฟังปฏิทานใหม่หมายถึงว่าบุญเรื่องที่ทำให้เบิกบานใจเล่าสู่กันฟังบ้างเถอะ มาเล่าให้ตะมาฟังก็ได้ที่หน้ากุฏินี่ตั้งโต๊ะเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาแต่ว่าโยมก็ไม่มาเลยแต่ว่าโยมบางท่านกขาบอกมาพบท่านเจ้าคุณทุกวันนะมาพบยังไงเห็นรูปตั้งอยู่หน้ากุฏิเอาว่าเป็นจะต้องเก็บรูปเสียลูกจ้านะอปัจจาัยใาหม่นี่ก็สำคัญปฏิฐานหน้าใหมา่ปัตตานุโมทนาใหมา่เวลาญาติโยมไปทำบุญสุนทานที่ไหนมาแล้วจะเก็บไว้เฉยๆนะ ใช้คำพูดว่าวันนี้เอาบุญมาฝากนะฮะเขาจะรับว่าสาทุอันนี้แหละเป็นบุญอีกประการหนึ่งและประการต่อมาท ร, รมัฏฐานใหมที่โยมกาลังฟังธรรมกัอยางนี้เป็นบุญไม่ใช่ฟังธรรมพระอย่างเดียวฟังเรื่องดีๆจากวิทยุจากโทรทัศน์อะไรก็ถือเป็นบุญเหมือนกันเพราะทําให้จิตใจเบิกบานประการต่อมาธรรมเทศนามันี่ เรื่องการเทศแสดงธรรมเนะี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระนิยมนะเป็นหน้าที่ของโยมทั้งหมดทุกคนในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์มอบหมายการเผยแผ่การแสดงธรรมนี้เป็นหน้าที่ของทุกๆคนวันนี้ที่วัดของเราก็จะมีการเปิดอบรมพระนักเทศประจำปีพุทธศกราช2558เป็นวันแรกมีพระภิกษุสมณี น, นมาสมัครเรียนประมาณ300กว่ารูปย ญาติโยมถ้าไม่รีบไปไหนโยมเป็นกําลังใจพระหน่อยเถอะเป็นนั่งตรงบริเวณข้างหน้าโรงเรียนนั่นนะมาเป็นกําลังใจพระกันหน่อยพระก็ต้องการกําลังใจเหมือนกันนะญาติโยมมาคนจู้จพระเนนเขาจะได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นนักเท ศ, น, เทศนักเทศนานาโยมนะเรียกกันว่าต้องบอกเล่ากล่าวขานกันไปกันอะไรกันไปเนี่ยอาตมามีข่าวดีๆก็บอกโยมฟังไปเรื่อยๆ ในช่วงนี้เป็นช่วงเขตเทศการเข้าบรรษาเนี่ยที่วัดของเรามีงานบุญหลายเรื่องวันนี้เปิดอบรมพระนักเทศวันที่เก้าตักบาทเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ญาติโยมไม่ได้ไปไหนเชิญมานะเชิญมากันโยมเตรียมข้าวของมาก็ได้ถ้าไม่ได้เตรียมข้าวของก็มาจัดซื้อจัดหากันที่วัดนี้ก็ได้พระประมาณเก้าสิบรูป นี่บอกให้ยอดโยมทราบเนี่ยฮะเมื่อเช้านี้คุณดุยณนะบางน้อยก็ประกาศออกลั่นไปหมดเลยบอกว่าจะมีการตัดบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าที่วัดปยุโรงคุณดุยนะ่ยณบางน้อยก็ประกาศไปแล้วยองฟังข่าวตั้งแต่แปดโมงนะฮะแล้วขอเชิญพี่น้องชาวเทศกิตของเรามาด้วยท่านโสพลมาด้วยนะมาด้วยจะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาด้วยนี่กระแจ้งให้ยอดโยมได้ทราบ นี่ก็เป็นการชี้แจงก็คือการเทศน์นั่นแหละแล้วประการต่อมาสำคัญมากทิฏฐุชุกรรมก็แปลว่าบุญอันเกิดจากการปรับความคิดความเห็นที่ผิดพลาดของเราเให้ถูกเสียเราเคยคิดผิดเห็นผิดในเรื่องอะไรก็าตามเนี่ยพยายามแก้ไขปรับปรุงตรงนั้นเสียและตรงนี้ละจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหมดนี้เขาเรียกกันวิวธีทำความดี การทำความดีก็ปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้รีบทำนะอย่าทำช้าไปเดี๋ยวใจมันจะไม่รักดีพอใจจะไม่รักดีแล้วใจมันก็จะไปยินดีกับความไม่ดีขึ้นมาแล้วจะพาให้ชีวิตของเราตกต่ำย่ำแย่ฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายความดีทำได้ทุกโอกาส แต่เพราะความประมาททําให้พลาดจากความดีมีไ n ยะดังชี้แจงแสดงมารัตนัตยานุภาเวนะขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศัตว์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ไปสารผุดพองพ้นผองภัยขอเดชะพระสังครรธกําจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไข ขอเดชะพระตนตรยัยขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเจริญวัยเจริญสีทวีคูณประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเทสนาบรรหารดังชี้แจงสแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมุดยุติพระธรรมเทสนาลง คงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้